ชื่อเรรยเธอชอบบันทึกตั้งแต่ยุก้าขวบสิ่งที่เธอบันทึกก็เป็นเหตุการณ์ประจำวันธรรมดาธรรมาเธอก็มาถ่ายทอดแบบซื่อๆนะซึ่งบางครั้งนี่ก็มีแง่คิด ม, มีคราวหนึ่งเธอเขียนว่าเนี่ยฉันได้ลูกโป่งสีม่วงเป็นรางวัลจากครูฉันเลยวิ่งไปเป่าลูกโป่งให้น้องดูแม่เตือนว่า อย่าเป่าลมเยอะเดี๋ยวจะแตกแต่น้องนะวิ่งมาจ้องดูฉันเลยอยากเป่าให้ใหญ่ฉันไม่กลัวว่าลูกโป่งจะแตกเพราะฉันคิดว่าลูกโป่งทุกใบเกิดมาเพื่อจะแตกยกเว้นลูกที่ยังไม่ได้เป่าสองประโยคสุดท้ายนี่น่าสนใจนะฉันคิดว่าลูกโป่งทุกใบเนี่ยเกิดมาเพื่อจะแตกยกเว้นใบที่ยังไม่ได้เป่า อันนี้มันก็ไม่ได้สะท้อนถึงเฉพาะลูกโป่งนะแต่มันโยมไปถึงอะไรต่ออะไรหลายอย่างข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่อที่จะพังเพื่อที่จะเสื่อมโทรศัพท์นะก็เกิดมานะเพื่อจะเสื่อมไปเช่นเดียวกับรถยนต์เช่นเดียวกับบ้านรวมทั้งคนเราก็เหมือนกันนะเกิดมาก็เพื่อจะตายอันนี้นก็เป็นศัรธรรม ต้นไม้ทุกต้นนะก็เกิดมาเพื่อจะตายสัตว์ทุกตัวทุกชนที่เกิดมาก็เพื่อจะตายสิ่งที่เรามีทั้งหมดทั้งปวงก็มีขึ้นเพื่อที่จะเสื่อมสลายหายไปนี่มันก็เป็นศัจธรรมนะที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลูกโป่งทุกใบนะมันจะแตกนะลูกโป่งหลายใบเนี่ยที่ถูกเป่าต้นใหญ่ ก็ไม่ได้ลงเอยด้วยการแตกแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องแฟบอันนี้ก็เช่นเดียวกับอารมณ์ความรู้สึกของคนเรานะเมื่อฟูมันก็แฟบเมื่อยินดีท้ายมันก็กลับมาเป็นยินร้ายเวลา ชีวิตเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงแล่สุดมันก็ลงต่าเอาเฉพาะลูกโป่งที่ไม่ได้เป่าเท่านั้นแหละนะที่มันไม่แฟบเพราะมันไม่ฟูหรือมันไม่พองใหญ่ถ้าไม่เป่าให้มันใหญ่พองคือไม่ฟูเนี่ยมันก็ไม่แฟบ แต่ถ้าฟูหรือใหญ่เมื่อไรเนี่ยมันก็ถ้าไม่แตกมันก็แฟบในที่สุดอันนี้ก็คือความเป็นไปของสิ่งทั้งปวงนะทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างที่เราได้สาธยายมาสักครู่เนี่ยสังขารทั้งหลายนะไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปมีแล้วหายไป อันนี้เราอันนิจจังที่จริงอันิจจังนี่มันก็มีหลายลักษณะนะอัดฟูแล้วกลายเป็นแฟบอ้วนแล้วกลายเป็นผอมขึ้นแล้วก็ลงแต่ยังรวมไปถึงว่าพอตกต่ำแล้วมันก็ขึ้นสูงหรือว่าพอเสื่อมก็กลับเจริญ หรือว่าพอพร้อมนะก็กลับอ้วนอันนี้ก่อนดิจังเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่เราควรจะพิจารณาใส่ใจก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันจากบวกกลายเป็นลบนะจากฟูกลายเป็นแฟบหรือว่าจากเจริญกลายเป็นเสื่อม หรือว่าพบแล้วก็ลงเอยด้วยพลากเจอแล้วก็ลงเอยด้วยการจากอันนี้เราเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงลบความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกก็เป็นอันที่จังเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบลงด้วยความเสื่อม ก็เมื่อเครื่องบินนะทุกลำเนี่ยถ้ามันมีน้ํามันแล้วก็มีเครื่องยนที่ดีพอเนี่ยมันก็สามารถจะเหินขึ้นฟ้าได้จากที่จอดอยู่บนลานลานเวนะมันก็สามารถจะบินขึ้นฟ้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเ ป, ปลี่ยนแปลงในเชิงบวกก็ได้นะคือมันจเจริญแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันก็ต้อง กลับสู่พื้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้านานเท่าไหร่อยู่ที่ว่าจะลงสู่พื้นอย่างไรนะอย่างนุ่มนวลหรือว่าอย่างกระแทกนะอย่างชื่อรียกว่า hard landing นะถ้าหากว่าคนขับเขาฉลาดพอ แล้วก็มีความระแวดระวังพอรู้ว่าน้ํามันใกล้จะหมดนะก็ค่อ ย, อยบังคับเครื่องให้ค่อยๆล่อนลงอันนี้ก็เรียก ว, ว่าล่อนลงอย่างนุ่มนวล soft landing แต่ถ้าเพลินนะกับการลอยอยู่บนท้องฟ้าจนกระทั่งไม่รู้ว่าน้ํามันเนี่ยกำลังจะหมดมันก็ต้องลงเอ่ยด้วยการลงสู่พื้นแบบกระแทกเครื่องก็พังจับเยิน คนในเครื่องบิงก็ตายกันเพราะฉะนั้นไม่ว่ามจะอยู่บนฟ้านานเท่าไหร่นะสุดท้ายก็ต้องล่อนลงหรือว่าคืนสู่พื้นดินนี่ก็เปรียบว่าอันิจจงนะในทางที่มาลงเอยด้วยทุกขังก็เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเชิงอันิจจัเนี่ย อยู่หลายลักษณะนะเช่นผอมแล้วก็กลายเป็นอ้วนหรือว่าเตี้ยแล้วกลายเป็นสูงขาวก็กลายเป็นคล้ำอันนี้ก็อั น, นีิจังแต่ว่ามันมีอั น, นีิจังมาลักษณะนะที่มันจัดอยู่ในความจริงที่เร า, าทุกขังนะก็คือ พอมันเริ่มแก่เริ่มชาราเนี่ยจากหนุ่มสาวก็กลายเป็นแก่ชาราอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงทุกขังเพราะเป็นความเสื่อมหรือว่าจากมีกำลังวังชาก็กลายเป็นเจ็บป่วยเนี่ยมีทุกขเวทนาบีบคั้นอันนี้ก็เป็นอนิจจังที่เราเรียกเฉพาะว่าเป็นทุกขขังนะ จงกระทั่งร่างกายที่เคยเปล่งปลั่งนะสุดท้ายก็เหยียวย่นแล้วพอหมดลมนะก็อืดบวมเนี่ยอันนี้ก็ทุกขังนะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จัดว่าเป็นทุกขังความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ไม่ใช่ทุกขังนะมันก็แต่ก็เรียกไปนอ น, นิจจัง แต่ไม่ว่าจะมีความเปลีป่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยทุกขังแต่ที่จริงทุกขังเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะตอนที่ร่างกายมันเริ่มเสื่อมเริ่มแก่เริ่มชรานะจริงๆเนี่ยตอนที่ผอมแล้วกลายเป็นอ้วนเนี่ยหรือว่าอ้วนทวนเนี่ยหรือขาวแล้วกลายเป็นคล้ำเนี่ย มันก็มีทุกครั้งอยู่ในตัวนะก็คือตอนที่ความผอมมันดับไปแล้วไม่มีความอ้วนหรือความสมบูรณ์มาแทนที่อันนี้ก็ทุกครั้งนะความผอมมันเสื่อมไปมันดับไปมีความอ้วนทวนมาแทนที่หรือความคล้ำมันดับไปแล้วก็มีความขาวนวลมาแทนที่ตรงเนี้ย มองเป็นเพลคระนิจจังนะแต่ว่าจริงๆมันแฝงทุกขังด้วยเพราะมันเป็นความเ ป, ปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเสื่อมการดับนะของความผอมซึ่งกลายเป็นความอ้วนหรือว่าความเสื่อมของความคล้ำแล้วมีความขาวนวลมาแทนที่หรือขาวกลายเป็นคล้ำเนี่ยขาวตอนที่ขาวกลายเป็นคล้ำเนี่ยเราก็มองในเคอนิจจังความเปลี่ยนแปลง แต่มองดีๆเนี่ยมันมีทุกครั้งอยู่ในตัวเนะก็คือว่าความขาวนี่มันดับไปมันเสื่อมไปแล้วก็มีความคล้า ม, มาแทนที่ฉะนั้นอ น, นิจจังกับทุกครั้งนี่มันก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันนะหรือว่าแนบแน่นกันมากไม่ต้องพูดถึงอนัตตานะเพราะทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เพราะมันตกอยู่ภายใต้ความจริงที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้หรือว่าต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่เชี่งแท้ที่เป็นอมตะนะความขาวความคล้ำความผอมความอ้วนพวกนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนะเมื่อกินอาหารอุดมสมบูรณ์นะความผอมก็ดับไปความอ้วนทวนก็มาแทนที่เมื่ออยู่ กลางแจ้งนะความขาวนวลก็หายไปนะความคล้ําก็มาแทนที่ในตัวมันเองในะมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตานะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะในปรากฏการเดียวกันคราวนี้เนี่ยเรื่องของอนิจจังเนี่ยหรือนทะุกขังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาพูดคุยกันหรือชวนให้ ศึกษาในเชิงของปรัชญานะแต่ว่ามันมีความหมายต่อการดำเนินชีวิตในแง่ที่ว่ามันคือความจริงที่เราต้องรู้โดยเพราะอันิี่จังซึ่งเป็นสิ่งที่ดูง่ายเห็นง่ายถ้าหากว่าใส่ใจนะอย่างเช่นเนี่ยเราก็เห็นได้นะคนที่เป็นเศรษฐี แล้ววันดีคืนดีก็กลายเป็นยาจบนี่ล้นพ้นตัวล้มละลายอย่างโดยข้พช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยเห็นได้ชัดเลยเศรษฐีหลายคนนี่ก็กลายเป็นยาจบที่เคยขับรถเบนก็ต้องมาขายแซนวิชนะชิ้นละ50บาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าน่าชื่นชมนะที่เขายังยอมรับความเสื่อม แต่มันก็สะท้อนถึงความเป็นอันิจจังนะบริษัทจำนวนมากเนี่ยซึ่งเคยใหญ่โตวันดีคืนดีก็ล้มละลายปิดกิจการอย่างเมื่อต้นปีเนี่ยบริษัทหนึ่งเนี่ยซึ่งเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะเทอรนอสโอ้มีสินทรัพย์เนี่ยเมื่อ 6-7 เจปีก่อนนี่มีสินทรัพย์หรือว่ามีมูลค่าเนี่ยหลายแสนล้านบาทนะ แต่ตอนนี้มูลค่ากลายเป็นศูนย์ไซะแล้วเพราะว่าผลิตผลิตภัณฑ์ที่เขาคิดว่าจะขายได้เนี่ยมันกลับพังไม่เป็นท่าเลยนะก็คือเครื่องตรวจวัดเลือดแค่หยดๆแค่หยดเล็กๆ เ, เ, เนี่ยสามารถจะตรวจหาโรคได้นับร้อยโรคโอ้ซึ่งมันถ้ามันจริงนะมันเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์มากเลยแทนที่จะ เจาะเลือดนะเป็นหลอดๆเนี่ยซึ่งเจ็บนะแล้วก็ตรวจดูโรคเนี่ยแค่ไม่กี่โรคเนี่ยแต่นี่แค่หยดเลือดเนี่ยหยดเดียวนี่โอ้โหตรวจโรคตรวจโรคได้เป็นร้อยเลยนะอาจจะรวมถึงเบาอ่ะอาจจะรวมถึงมะเร็งด้วยเพราะว่าสุดท้ายก็ล้มควม่ำมูลค่าเป็นศูนย์นะ เจ้าของบริษัทหรือผู้ริเริ่มก่อตั้งเนี่ยซึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีทิพล์ลระดับโลกเนี่ยตอนนี้ก็เสี่ยงจะติดคุกแล้วเนยยี่สิบปีรอรอคำตัดสินจากคนที่มีชื่อเสียงเนยเป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาอนี้กลายเป็นคนที่ใครๆก็หันหลังให้ นอย่างผู้มีอำนาจเนี่ยผู้ปกครองที่เคยพุ่งสูงเนี่ยวันดีคืนดีก็ตกต่ำอย่างเมื่อ ส, สองที่ที่แล้วเนี่ยอดีตประธานาธิบ ด, ดีศีรังกาเนี่ยซึ่งเคยได้คะแนนเลือกตั้งแบบถล่มทลายเนี่ยเมื่อสามสี่ปีก่อนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนพลัดทินาคาที่อยู่ไปแล้วเพราะถูกประชาชนขับไล่เราก็จเห็นได้ในปรากฏการณ์เนี่ย นักร้องดังซึ่งเคยมีคนชมคอนเสิร์ตก็อย่างล้นหลามแต่ว่าวันดีคืนดีผ่านไปไม่กี่ปีอ้าขายบัตรไม่ค่อยออกเลยคนดูแค่ไม่กี่ร้อยคนดาราซึ่งใคยๆก็ชื่นชมนะแต่ว่าวันดีคืนดีก็ไม่มีคนสนใจคนลืมไปหมดเวลาก็ไม่ได้ล่วงเลยไปนานเท่าไหร่เลย ก็เช่นเดียวกับนักมวยนะซึ่งเคยน็อกเอานะคู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นนะแต่ว่าในเวลาไม่นานก็โดนถลุงโดนรุ่นน้องถลุงยับเยินนะไม่เหลือสภาพาอันนี้คือความเป็นอนิจจังนะที่เราควรจะพิจารณาเพื่อ น, น้องเข้ามาใส่ตัวจริงๆริงอนิจจังในเชิงบวกมันก็มีนะอย่างที่พูดไปแล้ว นะที่เคยเสื่อมก็กลายเป็นเจริญที่เคยยากไร้ก็กลายเป็นเศรษฐีที่เคยนะกลายเป็นคนตกต่ำนะเรียนไม่จบก็กลายเป็นประธานอธิบดีที่มีชื่อเสียงแต่ว่าไอ้ความไม่เที่ยงหรืออนิจจงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะให้ประโยชน์กับเราก็ในยามที่เราตกต่ำย่ำแย่มันทำให้เรามีความหวัง แต่ในยามที่เรามีชีวิตที่ราบเรียบราบรื่นเนี่ยก็ควรจะใส่ใจกับอันที่จังในเชิงเสื่อมในเชิงลบเพื่อที่จะเตือนใจให้เราเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยและที่จริงไม่ใช่ปรากฏการภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นผู้คนบริษัทหรือว่าดารา เศษฐีสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยลวมทั้งถึงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจเช่จนจิตใจของเราเนี่ยนะบางทีมันก็ฟูบางทีมันก็แฟบบางวันบางช่วงก็อารมณ์ดีแต่ว่าไม่กี่นาทีต่อมาก็ขุนมัวหัวเสียอันนี้ก็คืออ น, นิจจันะที่มัน เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาทั้งวันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจเพราะว่ามันทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นและมันก็ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยแต่อารมณ์แต่ละสภาวะเนี่ยมันไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเวลาดีใจอ่ะก็อย่าไปเพลินกับมันเพราะว่าความดีใจมันจะหายไป แล้วมีความเสียใจมาแทนที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนเช้านะดีใจนะมีคนชมแต่ว่าไม่กี่นาทีต่อมาจิตใจก็ห่อเหี่ยวทันทีนะได้ข่าวเพื่อนนะเกิดเสียชีวิตขึ้นมาหรือเพื่อนเกิดป่วยหนักนาใจที่มันฟูมันเดี๋ยวเดียวกัาเป็นแฟบไปแล้วหรือว่า กำลังบุดหิดหัวเสียนะกับคนใกล้ตัวแต่ว่าตอนบ่ายนะพอได้ข่าวว่าถูกลอตเตอรีนะ่เลขท้ายสามตัวโอ้มันดีใจขึ้นมาเลยมันพองโตเลยนะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยของเราในแต่ละวันเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะมันมีความ ผ, ผันผวนแปรปรวนมากทั้งในทางบวกทางลบทั้งในทางดีและทางร้าย อันนี้คือสิ่งที่เรานะควรจะพิจารณาด้วยกับความไม่เที่ยงขึ้นลงของผู้คนและเหตุการณ์รอบตัวเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจเพราะมันเตือนใจเราแต่ว่าที่ควรทำควบคู่ไปก็คือการที่ได้เห็นความแปรปรวนความไม่เที่ยงของอารมณ์ความรู้สึกนะบางช่วงนะก็ดีใจ แต่ความดีใจมันก็มันก็ลูกโป่งนะถึงจุดหนึ่งมันก็แฟบนะเราก็จะเห็นความฟูความแฝบของใจของเราแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะนอกจากไม่เห็นแล้วเนี่ยก็ยังยังหมดเนื้อหมดตัวไปกับมันด้วยนะตอนดีใจก็ดีใจจนลืมตัวแต่ตอนเสียใจก็เสียใจจนหมดเนื้อหมดตัวถูกมันกระชากรากถูไปตามอํานาจของมัน ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจและเป็นเพราะเราไปยึดมั่นกับความดีใจนะพอดีใจก็เหลืองเพลินพอมันหายไปก็ทุกข์เลยนะเพราะว่าฟูกับแฟบมันเป็นของคู่กันก็ไม่อยากแฟบกนะก็อยากฟูนะเหมือนกับลูกโป่งที่มันไม่ถูกเป่าเนี่ยมันก็ไม่มีวันแตกแล้วมันก็ไม่มีวันแฟบ ลูกปองที่จะแตกได้ลูกปองที่จะแฟบได้คือลูกปองที่มันถูกเป่าจนพองถ้าไม่อยากเสียใจนะก็จะไปหลงเพลินกับความดีใจถ้าไม่อยากแฟบก็อย่าไปปล่อยใจให้ฟูอันนี้เราก็ต้องสังเกตดูใจของเราถ้าเราใส่ใจกับเรื่องของการภาวนาเนี่ยการที่เรามาดูใจของเราไม่ใช่เฉพาะในเวลาเราปฏิบัตินะแต่ว่าในชีวิตประจาวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกิจที่ควรทำ แล้วเราก็จะพบว่าใหม่ๆเนี่ยไอ้ตอนที่มันดีใจต้นที่เสียใจเนี่ยไม่เห็นหรอกมันมาเห็นมันมาสังเกตตอนที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วเช่นไอ้ตอนที่ดีใจเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความดีใจนะเพราะมันเพลินไปความดีใจแต่พอความดีใจกลายเป็นความเสียใจขึ้นมาไอ้ตอนที่เสียใจก็ยังไม่เห็นนะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ย มาคลายขวนเออก็แปลกใจนะเมื่อเช้านี่เรายังฟูอยู่เลยนะแต่ตอนสายใจเรามันแฟบแต่ละหรือว่าเมื่อตอนสายนี่ยังสดชื่นเบิกบานอยู่เลยแต่ว่าตอนบ่ายๆนี่มันหดหู่หมองมัวแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาสังเกตได้ตอนที่มันผ่านไปแล้วแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เห็นมันจัดจ่ะนะเพราะว่า ไปหลงนะกับอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะหลงเพลินหรือว่าหลงทุกนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องปล่าประโยชน์นะถ้าว่าเราเนี่ยจะมาเห็นมาสังเกตการขึ้นลงของใจหรือการลงขึ้นของใจเนี่ยเมื่อมันผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราทํำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะสังเกตบ่อยๆสังเกตบ่อยๆ เ, เนี่ยต่อไปเนี่ย มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจของอารมณ์เนี่ยได้ไวขึ้นนะจนกระทั่งสามารถจะเห็นตอนที่มันเกิดขึ้นจัดจ่ะเลยนะตอนที่มันดีใจก็เห็นความดีใจตอนที่มันขุนมัวก็เห็นความขุนมัวตอนที่เขาชมก็โอ้ยฟูแต่ตอนที่เขาตําหนินะหรือพูดไม่เพราะก็เห็นความแฟบที่เกิดขึ้นอันนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะเห็น อาการของใจที่ขึ้นและลงเห็นอาการของใจที่ฟูและแฟบเห็นอาการของใจที่สว่างสวัยแล้วก็หม่นมัวนะซึ่งมันเกิดขึ้นได้เร็วมากและตอนที่เห็นเนี่ยอาจจะเห็นแล้วก็อาจจะเผลอเข้าไปเป็นแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็ไม่เพียงแต่ เห็นจัดจ่ะในขณะที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าฝึกถึงขั้นที่ว่าแค่รู้สื่อๆนะตอนมันขึ้นตอนมันดีใจก็เห็นมันแต่ว่าไม่เข้าไปเป็นมันแค่รู้สื่อๆแค่เห็นมันเฉยๆเวลามันหมุนมัวนะก็เห็นนะความหมุนมัวนั้นเวลาลิงโลดก็เห็นแต่ว่าไม่เข้าไปไปยึดไม่เข้าไปเป็นผู้ลิงโลด เวลามันเบื่อเวลามันเซงก็เห็นแต่ว่าก็แค่รู้สื่อๆื่อรู้เฉยเฉยอันนี้แหละนะคือสิ่งที่เราควรจะฝึกนะจากเดิมที่มันสังเกตดูใจของเรานะขึ้นลงมารู้ว่ามันขึ้นลงอย่างไรก็หลังจากที่มันผ่านไปแล้วดีใจไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าเสียใจไปเรียบร้อยแล้วลิงโลดไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าหมนมัวหัวเสียไปเรียบร้อยแล้ว ถึงค่อยมารู้ถึงค่อยมาสังเกตนะแต่ต่อไปเนี่ยนะทำให้ถีขถ่ขึ้นทีขึ้นเยมันก็จะเห็นตอนที่มันเกิดขึ้นจัดจ่าเลยแต่ว่าเห็นมันเกิดขึ้นจัดจ่าล้วก็ยังหลุดเข้าไปนะเป็นผู้ดีใจผู้เสียใจหรือเข้าไปหลงยึดความดีใจหลงเข้าไปผักสความเสียใจแต่ต่อไปเนี่ยนะฝึกมาถึงขั้นที่เราแค okay, นะ่รู้สื่อเนี่ยรู้สื่อเห็นมันเกิดขึ้นก็รู้นะไม่ว่ามันจะบวกหรือลบอย่างที่นะ เราได้สวดอยู่บ่อยๆนะพระเกระตกอรัตคาถาผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนะั้นอย่างแจำแจ้งไม่ง่อนงันคลอนแคลนไม่งอนงันคลอนแคลา น, ข น, ขนคือว่าไม่หลายเข้าไปในอารมณ์นั้นนะตั้งมั่นมาดูมันดูด้วยใจที่เป็นกลางนะาที่ครูบาใจเรียกว่ารู้ซื่ออันนี้แหละนะที่มันจะช่วยทําให้เราได้เห็นว่าความเป็นรนิญจังของใจเราและต่อไปเนี่ยมันก็จะ ไม่ใช่แค่เห็นว่าใจเรามันไม่เที่ยงใจเรามันแปรปวนเราก็ยังรู้ว่าเนี่ยไปยึดมั่นถือม่กับอารมณ์นั้นไม่ได้ดีใจก็เห็นมันจะไปเพล่ความดีใจเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความเสียใจเพราะว่าขึ้นชื่อว่าฟูแล้วมันก็ต้องตามมาได้แฝดนะเหมือนกระดูกโป่งเนี่ยที่มันถ้ามันพองแล้วมันก็ต้องแตกนะหรือถ้าไมแตกมันก็แฝดนะถ้าไม่อยากแฟบก็ ก็ทำตัวมันก็ลูกโปงที่ไม่ฟูทีนี้เราก็จะทำให้ใจเกิดความปกติขึ้นมาและเป็นปกติที่ตามได้วยความสุขแล้วต่อไปมันก็จะเห็นนะเออเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของอารมณ์เหล่านี้ดีใจก็ไม่ใช่เราเสียใจก็ไม่ใช่เรากลัวก็ไม่ใช่เราคุณนมัก็ไม่ใช่เราเงาก็ไม่ใช่เรามันถอนออกมาจากความยึดในตัวกูของกู นะมันก็จะเข้าใจนะเรื่องอนัตตาได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นการภาวนานะที่เราควรจะทำสม่ำเสมอนะและสามารถจะปฏิบัติได้ในะชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ว่าไม่ว่าทำอะไรมันก็เป็นเวทีให้เราได้เห็นอยู่เนืองเนืองนะอันนี้แหละที่เรียกว่ามันเป็น ภาวนาแล้วมันจะไม่ใช่แค่สมถะภาวนาจะเป็นวิปัสสนาภาวนาด้วยหรือเป็นวิปัสสนากรรมฐานที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน อ, อย่างในพเทานี้นะกราบพรบ